กิเลสมันหลายประเภทเครื่องมือที่จะแก้กิเลสก็ต้องหลายประเภทรวมแล้วเรียกว่ามัจจิมาคือเหมาะสมกับใา้สติปัญญาความเพียรให้เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆถ้ามันเลื่อก็เอาให้หนักนะสติก็ใช้อย่างเต็มที่ปัญญาความเพียรก็เอาเต็มที่ปัญญาก็ใช้อย่างเต็มที่วาดปั้นลงไปให้มันแหลมมันอยู่กับมือเรานี่เรียกว่ามัจจิมาเหมาะสมกับกิเลสประเภทนี้นะ เวลาละเอียดลงไปมัจมาก็ละเอียดคือสติปัญญาก็ละเอียดตามต่างเป็นความเหมาะสมกันไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพิ่งทราบว่าคำว่ามัจมาปฏิปัตรรมไม่ใช่เป็นูนทั้งดุ่นนะฮมีลักษณะท่าทีหมุนคันกับกิเลสทุกประเภที่เลอสเล อ, อยากปัญญาก็หนักอัญญาสู้กันก็ต้องหนักความเพียรต้องหนักนเพราะอยู่ในเตนมังคาบัญชาต้องมังบคบาบัญคา มันยังไม่ถึงเก็ฑเป็นอัตโนมัติมันก็ต้องในบังคั้งบรรชาซะก่อนเพราะจิตยังไม่เห็นผลของงานมันยังไม่เห็นผลของสมาธิยังขี้เกียจภาวนาไม่อยากทํำพอเริ่มเห็นผลสมาธิคือความทั้งหมดมันเกิดเกิดความเย็นใจเกิดความสุขเกิดความแปลกประหลาดขึ้นมานั่นแหะคือผลที่นี่เป็นเครื่องือดดึงจิตใจให้มีความภาพเพี่ยรต่อไปพอเป็นสมาธิแล้วทางด้านปัญญาผลเกิดขึ้ทางด้านปัญญามันยังไม่มีมันก็ต้องได้บังคัรทาง้านัวนาให้ที่เกิดมาไม่อย่งั้นติดสมาธิ เตตมาที่แล้วถอนตัวไม่ออกจะเข้าใจว่าความมุ่งิทอยู่กับสมาธิเข้าใจว่านิพพานอยู่กับความอยู่กับสมาธิไปแล้วและกลายเป็นความสมบปิดปากการเข้าใจ่างนี้เวลาพิจารณาทางด้านปัญญ า, าเวลาแยกแยะเรื่องาขาดเรื่องขันเป็นอวิชชังทุก ข, ของอาาังตาหรือเป็นอสุธาอสุฟังให้จิตจ่ออยู่นั้นตั้งนานไม่ชนะคอยหลังเหมืนที่อยู่ที่นี้พระติเปนเครื่องสักศีล อย่าคิดเรื่องอะไรทั้งหมดเวลานั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตไม่สัาผัญยิ่งกว่าเรื่องปัจจุบันที่เรากําลังพิจารณาอยู่ที่นี้เมื่อเราได้ฝึกผลอบลมอยู่เสมอสติย่อมมีความฝึกต่อกันไปเรื่อยเื่อยก็จะเร่มุ่งเดือนขึ้นไปเรื่อยเรื่อพอมีเหตุการณ์อะไรมาสัมผัสสัมพัสเมื่อสติจะมาทันทีปัญญาจะวิ่งตามมันปั๊บปั๊ไปพ้องกันสติกับปัญญา เวลาปัญญามีความทำงานขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นติมีความทำงานพออะไรรู้ได้เลวเวลามีสิ่งมาสำคัญเกิดขึ้นจากการที่เราอบรมอยู่สมัยนั้นแล้วมีความตจริญตัวตัวขึ้นได้เนื้อเงนก็เด็กที่เรับ ก, การนี้ดูด้วยความถูกต้องปุตตัญญาครับเป็นงานแล้วกานตั้งใจถึงที่ปฏิบัติาตาต ง, งานของธรระคือ ง, งานเพื่อ ส, อดสัดถอนที่เด็เป็นงานสำคัญเป็นงานฝากเป็นฝากตาย เพื่อความพ้นทุกข์งานนี้เป็นงานเพื่อความพ้นทุกข์ถึงจะทุกขก์เพราการประกอบความภาคเพียนโดยประ ก, การในประการทุกนี้เป็นทุกข์เพื่อจะให้เกิดสึกจนถึงจุดที่หมาเป็นความสุขอย่างยิ่งมันควรจะหยุหนาละอาใจเพราะความทุกข์ยากลาบากในเหตุคืกอการประกอบความภาคเพลียนหนักเบามากน้อยถึงจะเล็งถึงขนมันก็สุดเลิอดโลกเมื่อช น, นะเต็มที่แล้วเต็มภูมิแล้วไม่ต้องไปยุ่งอีกงานนี้สาเร็จได้องค์พระเจ้าทำ ทร ง, ทงเสลกมาแล้วภาษาโลกอราหารัสละันเสลกมาแล้วก็ไม่ต้องดุ่งกับเรื่องงานก็ส อ, อดถอนที่เล็กถ้าเล็กหมดไปแล้วเอาอะไรมาสอดถอนกระทรงพระทรงขันอยู่ก็ตามวันเวลาที่มันจะดับจะไหลเท่านั้นเองถ้าเห็นมีอะไรการมีกิ่เล็กอยู่ภายในจิตมากน้อยนี่ก็คือมียาพิษเขาลงจิตใจตลอดเวลาภายนอกก็เป็นพิษถ้าลงจิตใจเป็นพิษแล้วออกทางตาทางหูทางจมูกทางยิ้มทางกาย ไฟมุรูปเสียงสิ่งรดเครืษษษษ่องสั้งัดมันเป็นคิดด้วยกันทั้งนั้นเข้ามาฆ่าฆ่ากันแล้วก็เป็นกองคิดอันใดโตเป็นไฟอนกองใหญ่เผาจิดเขาใจให้เลือดรับความเดือดร้อนให้หยุดหย่อนนี่เพงทราบว่าโทษแความมีติเลและโทษแหงความให้มีข้าไปโทษแั่งความให้ละมัระวังราักษาตัวเองมันจึงสามารถเป็นนาสิ่งภายนอกซึ่งเขาจะอยู่ตามสภาพของเขาแล้วเอามาเป็นคิดเป็นภไยเผาหล่นตัวเองได้รูปเสียงสิ่งรดเขาอยู่ตามหลักธรรมชาติทังเขาซึ่งมีมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันมีมา การไห น, นการอะไรสิ่งนี้เพ้าเราไม่ไปคำพันมันหมายว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่นี้สิ่งนั้น น, าน่ารักสิ่งนี้ น, า น, านา่าชังสิ่งนั้นาน่านเบียดสิ่งนีน่านโกรธแล้วมันจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเพราะความําพันอย่างนี้เป็นการสร้างเสเด็จคือสรางมุทัยแดนติทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาสติคิดนิจุนาระมัดระวังรักษาตัวนใจเป็นของที่มีค่ามากเวลานี้เรารักษาบําบุดจิตใจให้ แสดงคุณค่าเต็มภูมิของใจซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากอยู่แล้วกิงทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มันดับสนายไปหมดมีการเกิดการดับการเกิดการดับอนิจจังทุกขังตาดับไหมดตัวจิตแท้ๆนั้นไม่มีอนิจจังทุกขังตาเขาไปแทรเลยแต่ที่เป็นอนิจจังทุกขังตาได้ก็เขามีกิตเด็ซึ่งเป็นตัวถุงมือสุดภายในนั้นอันเป็นเรื่องของสลายลักษณ์เชนเดียวกันจิตจึงมีแสดงอาการรู้นอนที่สูงต่างๆเยอกสว่างเยือกสงบเยือกคงท่าเยือกฝ่องใสเยือกเมองนี่เป็นอาการของ ทำอาการทั้ง์ทิเลที่มีอยู่ภจิตใจเมื่อหมดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะไม่มีแสดงอาการใดๆทั้งสิ้นสม่ำเสมอหรือว่าคงเส้นคงวาตั้งแต่ขณะได้ถึงแล้วซึ่งความคงคงที่ของจิตเป็นจิตนล้วนงั่นอันนั้นไม่มีธรรมะนิจังทุกขังรักษาไม่มีหมดนั่นแหละความหมดเรื่องสิ่งขย่อกลอกก่อขวรทั้งหลายที่เรียกว่าอันยันทุกขังรษานั่นแหละคือแดนของความก้าเส็งแท้อยู่ตรงนั้น เนี่ยผลของงานที่การปฏิบัติยากลำบากแค่ไหนเมื่อไปถึงนั้นแล้วมันก็เห็นเองก้มผ้าฮะขอให้ทํำใจหนักแน่นนักปฏิบัติเพศนี้เป็นเพศที่อดทนเป็นเทศที่ไข้ควนเป็นเพศที่มีพิจรารณาท่าจะเป็นเพศที่หล่อแห ล, โลกโบโยกคอนตรีเป็นเพศที่มีความมีความหนักหน่วงไปด้วยเหตุผลเป็นเพศที่ฉุกคบทางจิตมีเต่เนี่ยผลเป็นเครื่อง ดำเนินอยู่เสมอฝึกใจให้มีเหตุมีผลเพราะเหตุผลนี่จะเกิดขึ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่จะเกิดขึ้นโดยเฉยเหตุผลขั้นยาขั้นการขั้นละเอียดเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นการขั้นละเอียดที่เจรนาเทียบเคียงเมื่อนานไปนานไปก็มีความต้องแฝงการพิจารณาและเหตุผลตมมาตาม่างกันเม้การแก้กิเลสเท่าหมือนกันต้องแก้ด้วยเหตุผลรู้วัธเห็นจริงด้วยเหตุโดยผลและกิเลสจะลดก้อยไปทางดีทางชีถ้าตรงไหนที่ยังไม่ เขลงกันยังไม่ได้เขาแสดงว่าเหตุผลยังลงกันไม่ได้ก็แก้กันยังไม่พอต้องแก้กันอย่างนั้นพิจารณาแยกแยะจนหาช่องทางไปหน้าด้วยเหตุโดยผลยเรื่องนั้นก็ขาดไปหลุดรอยไปด้วยว่าเข้าใจครับเมื่อเข้าใจนแล้วก็ต้องประพฤติต่อไปทำทีทำทีการกคาราิดจริงอธิบายของวิปุจจคขาสุโฌงสั่งสอนศาสนกเฉพาะอย่างหนึ่นักบวชผู้ปฏิบัต ตรงเช่นคู่งดงที่สามเป็นความละเอียดละออมากทีเดียวเรายัางเห็นความหมายของคู่งที่สามเช่นการเยี่ยมป่าช้านี่ละเอียดขนาดไหนพราะตั้งใจอยากตั้งใจดูที่พระฤกษ์จางกองอนนี้จางสุกของหนาา้าตาเยือนคนในป่าช้าแล้วมาเทียบเทียมกับตัวของเราตัวของเรานี่ก็คือป่าช้าถือดึกนะตัวนี้เป็นเรื่อง จิตใจยังตฟองล่างอยู่นี้ลมหายใจทึงต้องเดินผ่านเข้าออกอยู่เสมอพอคำรู้สึกนั้นคือใจนั้นถอนตัวเสียไปเสียเท่านั้นลมหายใจก็หยุดทานทีไม่มีอะไรเหลือจั๊ดทีนี้ก็เป็นปัจฉาภีตายเลยคนณชาติภิกษุกับมีอะไรอยู่นี่ภายในตัวของเรานี่มีอะไรอีกศพเป็ดศพไก่ทรัพย์ประเทศเป็นอยู่ในนี้หมดพิจารณาให้ครับนี่เรื่องของปัญญา ที่ให้พิจนาไปเยี่ยมป่าชาก็คือให้พิจรณานั้นแต ก, ก่อนเพื่อเป็นศักดิสิทพยานนี่เป็นหลักฐานได้นั้นเอามาเทียบกันในตัวเองพอเข้าใจตรงนี้แล้งวก็หายทังวลหายสงสัยเรื่องป่าชาข้าง ห, น, หน่อก็พิจารณาเรื่องปาช้าข้างนันหาพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณารู้เข้ากายทุกสัดทุกส่วนและเวทนาพ ย, ยานั้งถามวิญญาณทำไมจะไม่รู้ละ่ะเนี่เพื่อของของนี้มีความละเอียดขนาดนั้ น, น า, ยนาอยากให้หมู่เพื่นรู้ได้เห็น คำของพระเจ้าที่ทรงสอนพิโรจนั้นสอนด้วยพระพระเมตตาจริงๆอยากให้สรรพโลกได้มีความสุขได้รู้จริงเห็นจริงจริงๆมาได้สอนแบบเปล่าๆนะสอนอย่างจริงจัง้าเป็นที่เข้าใจแล้วผู้มาปฏิบัติต้อให้ปฏิบัติอย่างจริงจังอย่าขี้เกียจความขี้เกียจความอ่อนแปรเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตเหตุ อ, อ, อย่าให้มันมาแทงกออกหน้าได้ เราตั้งใจจะค่าชีวิตตั้งใจชนะธรรมีวิต อ, อย่าให้ย่ได้วิ่งตามทีวิตพอวนะิ่งตามมันแล้วก็ต้องทลอกกออเปิดอกออเปิดถูกมันลากมันถูไปไมยุดลากไะลอะ ก, ก่อเปิดไปเรื่อยดวเบื้องตน้นเนี่ยการพิจารณาร่างก า, ายเนี่ยสำคัญมากทั้งนอกก็ตามขังในก็ตามเป็นมากได้ด้วยกันอสุภะ ทางนอกอย่งการเยี่ยมป่าช้าความปฏิบูลภายนอกความป่าช้าภายอกป่าชาภายเป็นมากลด้คือเป็นมรดิมาปฏิปทาเป็นทางเดินเพ่ความค้นทุกข์ด้านหนกัมันจะให้ที่เจอมาอย่างเมื่อยเข้ามาได้รักฐานานในตัวเองแล้วเรื่อง่านั้นก็มนหมดคำาไปเองทีนี้ก็หมุนคัวอยู่ภายในร่างกายเห็นจริงไป ทุกส่วนของมันเอ็นอย่างเดียวเท่านั้นมันก็กระจายไปหมดเพราะมันเหมือนกันหลังเนื้อเอ็นก็ดูดกเยื่อนกระดูกหมาหมักหัวใจตับความขี้ไตไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอย่างนี้ท่าอาการสามิสองเป็นธาตุดีดูอันหนึ่งนี่มันก็กระจายทั่กันหมดอันนี้จาขขงทุกขานจางเหมือนกันมันมีอยูนน่ประจําทุกอาการเหมือนกันลมพัดขึ้นบางบนลมพัดล ง, ลงบางต่ําลงนื้น เขาลมงในะใลมนะใช่ลมพัดไปพัดมาลมพัดไปตามตัวลมหายใจนี่ยนี่เขาเรียกว่าธ า, าตุลมหากไฟทุกความอบอุ่นที่มีอยู่ในร่างกายหากน้ำกระตุ้นธาตอยู่ตามส า, ารพน้า่างกายของเราซึ่ง น, น้ำเหนือเป็นต้น ในร่างการเรานี่มีธามีน้ำซึมธาบอยู่ทั่วไปหมดนะทั้งสี่นี่มารวมตัวกันเข้าโดยอาศัยจิตมาเป็นจับมาจัจองเป็นเจ้าของมเนเครื่องปรสานมาเป็นผู้รับผิด้อใ น, นส่วนต่างๆส่วนต่างๆนี้จึงก็เหมือนว่าเป็นเป็นผู้รู้เป็นผู้มีวิญญาณขึ้นมาเราจะเรียกว่าคนแล้วประติดคำว่าคนไม่ได้คิดคำหนึ่งเลยว่า คำว่าคนนี้มาจากธาตุอะไรมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟต่างหากมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สัตว์นี่พอพิจารณาให้ถึงความจริงตามคํามจริงเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจนเข้าใจได้ทัดแล้วลั่นจะพ้นไปถือดินน้ําลมไฟว่าเป็นตนเป็นเราเป็นเสาเป็นหินเป็นขาได้อย่งางไรมันชัดเลยนะนนปัญญาอย่างลงถึงความจริงนี่ไม่ฟ้องเพราะนี่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจริง ที่ปลอมก็คือจิตของเรามันปีนเดียวกับธาตดินธาตุน้ำธาลงธไปไปว่าเป็นเราเป็นของเราไปว่าเป็นหญิงเป็นชาเป็นจัตเป็นตัวคนนั้นแหละทั้งเดียวมันปีนเดียวกับธรรมความรู้ความเห็นเช่นนี้เป็นค่าสุดต่อธรรมจึงต้องพยายามลบล้างค่าข้าศึกเหล่า น, าา น, นี้ด้วยการที่จะนั่เห็นตามความจริงคือธาตุสีน้าลงไปหรืออนิจจังทุกของาาอ่างกายก็จะลบล้างของปอมทั้งหลายถ้ามันมีเหลือตั้งแต่ความจริงล้วนๆมาเลยรู้ความจริงล้วนๆแล้วจิตก็ถอย ถอนตัวเข้ามาอุปทานมันจะฝังลึกขนาดไหนถ้าลงปัญญาและพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันถอดถอนมาได้หมดไม่มีอะไรเหลือมีนเป็นส่วนใหญ่ส่วนร่างกายนี่เป็นส่วนใหญ่ของการพิจารณาเป็นปัญญาขั้นกลางปัญญาขั้นต้นกับพิจารณาร่างกายพิจารณาจนกระทั่งถอดถอนไปได้แล้วกเป็นปัญญาขั้นกลางกัน จากนั้นเรพิจารณาถึงเรื่องเวทนาทั้งยาทั้งถามมีอยามซึ่งเป็นส่วนละเอียดที่เกิดขึ้ดับพร้อมอยู่ภายในร่างกายและจิตใจเพราะคําว่าเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเจ๊งเฉยมีได้ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเช่นคนเจ็บไขาได้ป่วยนี้เป็นทุกข์ทางร่างกายแต่ถ้าจะมีความเพราะประวนไปด้วยใจก็เป็นทุกข์อีกขึ้นมาอีกเป็นทุกขเวทนาทางใจนี่ต้องพิดการนาเวทนา มันเกี่ยวโยงมันไปหมดนี่นีลยแต่พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็วิ่งถึงกันเราจะไปทําเป็นแบบอะไรเส า, าสร้างบ้านสร้างเรือนนันไม่ได้มีแบบแปลนแผนสังให้ทาํทาตามแบบนี้แล้วทําตามทั้งดูแบบแปลนทั้งมาสร้างนี่มันไม่ได้พิจารณาตรงไหนให้เป็นหลักปัจจุบันในตรงนั้นเรามีความถนัดในอาการใดแห่งร่างกายพิจารณาในอาการนั้นแล้วมันกระชูงชาขวดถึงกันไปหมด เวทนาคิดพิจาราเรื่องทุกเวทนาเพราะนั้นมันก็วิ่งเข้าไปถึงเวทนาทั้งหลายตลอดถึงปัญญาทั้งฐานอย่างมันเป็นอาการออกมาจากจิตคนเดียวกันแต่มันไม่ใช่จิตเป็นถ้าเราจะพูดถึงหลายท่านหรือพูดถึงสามท่านกับปัญญาท่านนี้นกับเป็นเป็นขั้นกลางค่อนข้างละเอียดปัญญาขั้นละเอียดจริงๆก็ฝก รู้เท่าอาการทั้งห้าแต่ยังไม่รู้เท่ากิตหนึน่งท่า น, นหนึ่งรู้เท่าร่างกายผ่อนคลอนอุปทานออกมาจากกายโดยสิ้นสุดอริยอาจะเอาสามขั้นเป็นนี้ขั้นหนึ่ขั้นที่สองรู้พิจารณาเวทนาปัญญาทั้งสามยินญาขึ้นเป็นนามธรรมเป็นรู้เท่าและปล่อยวางอาการทั้งสี่เช่นเดียวกับปล่อยวางทางรูปกับทางคือร่างกาย วาราที่สามก็พิจนาจิตที่เข้ารวมตัวแห่งกิเลสทั้หงหลายเช่นเดียวกับพิจนาสภาวะธรรมทั่วไปมีพัฒนาเนต้นจนพร้อมเมื่อพร้อมแล้กกิเลสที่รวมตัวอยู่ภายในจิตโดยจะพรนั้นก็กระจายออกด้วยอำนาของปัญญาขั้นละเอเียดลนี่แหละปัญญาขัน้น ปัญญาคั้นี้ท่านเรียกว่าแสมัยพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเริ่มเป็นมหาสติปัญญามาตั้งแต่นู้นตั้งแต่พิจนาขันสี่นั่นแหละคือเวทนาปัญญาทั้งหลงายมีอย่างเป็นมหาสติมหาปัญญามาตั้งแต่นู้นแล้วสติปัญญานตนุมาถ้าลงถึงขั้นพิจารนาเวทนาแล้วนั้นจิตหาความเฉลยไม่ได้หมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาพอตื่นขึ้นมาเนี่พจิต วิ่งเข้าถึงงานที่กําลังพิจนารณาอยู่แล้วทันทไม่สนใจกับอะไรทั้งหมดหมุนตัวอยู่กับความเพียรกับงานอันนั้น่ะที่กําลังทําย่างไม่สาเร็จนั้นขี่คายแยกแยกกันอนึ่งทั้งวันก็ทั้งวันตลอดรุ่งก็มันก็เป็นไปอย่า น, นั้นถ้าหากว่ายังไม่แกกกันยังไม่ได้ถอนกันยังไม่ได้ยัไม่มีทางแค่สังฆนาการสู้จนตายเอาไม่ตายให้รู้เอาไม่รู้ให้ตายไอ้เรื่องแค่นี้ไม่มีจิตเจลงถึงขั้นนี้แล้วนั่นล่ะ ท่านบอความเพียรกล้าอืกล้าตรงนี้อ่ะกล้าแ ท, ๆท้ๆคือกล้าพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่กล้ากับเพียงจิยาการเดินจ ง, งกรมจิยานัง่งสมาธิทั้งจีง่ใจมันเห่อไปทางไหนขอบเห็นโลกธาตุนู่นเจ้าของยังไม่รู้นี่ไม่ได้อาจารย์ว่เป็นความเพียรกล้าคําว่าความเพียรกล้านี้ต้องหมายถึงสติปัญญาสัมพยุติกับความเพียรอยู่ตลอดเวลาไม่มีการเผ่อตัวมันเป็นนักต่อสู้ในขณะ น, นั้นนั่นแหละท่านว่าความเพียรกล้า เขาจะนั้นในสังโยชน์เบื้องบนท่านจึงกล่าวว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนความฟุ้งคือเทินในการพิจารณาเทินในงานที่จนรําลำลามพิจารณาและเทินในผลของงานที่เคยได้เคยรู้เคยเห็นเคยสอเคยถอนมาเป็นลําดับลำดับมีความเพลิินเลยเห็นว่าสมาธิซึ่งเป็นที่พักสงบเย็นใจนั้นแบบเป็นของไม่เสร็จไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนอยู่เฉยความจริงสมาธิ นั่นก็เป็นพื้นฐานให้ได้รับคาวามสะดวกสบายในขณะที่าพาักเช่นเดียวกับคนทํางานเราจะถือว่า ง, งานนี้การทํางานเป็นผลโดยถายเดียวการพักผ่อนนอนหลับการรับประทานอาหารทําให้เสียวเวลาและเสียทีนเครืองอาหารการกินกปภต่างๆนั้นมันก็สูญเพราะร่างกายเมื่อไม่มีเครื่องบรรเทาไม่มีเครื่องบํา ร, บบรุงรักษาไม่ไม่มีปัจจัยเครื่องอื่นแล้วมันจะทํางานคนไระทด้เท่าไหร่มันก็ตายหมดแน่จะสิ้น เครืองทรัพย์สมักหรืออาหารการกินแต่มากน้อยแล้วเสียเวลาไปเข้าการพักผ่อนนอนหลับก็ให้เสียไปในขนาดนั้นการเสียไปของเวลานี้เพื่อเป็นการสนับสนุนกําลังหรือเสียเวลาหรือสิ้นเปลืองอาหารที่รับผ่านลงไปก็เพื่อเป็นกําลังของงานกายที่จะทางานต่อไปให้ถึงผลสำเร็จเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นเส้นเดียวกันเวลาจะพักผ่อนพักไม่ต้องกังวลกับเรื่องกัญญาเลยบางคาบเอาไว้ใ ห, ให้อยู่กับความสงบแน่วในขนาดนั้น แต่สมาธิขั้นนี้จะต้องบังคับนะเพราะความเพลินทางด้านปัญญามีกําลังมากคอยที่จะโดดออกไปหางานที่กําลังทําอยู่เสมอจะไม่ได้โดดออกไปไหนไม่เผลอไปไหนครับนะเป็น ค, ความพัวพันดูดดื่มกับงานนั้นเพราะหวังไ ช, ชนะเป็นที่ตั้งความแค่นี้ไม่มีนอกจากตายแค่นั้นกลับให้รู้อย่างเดียวเท่านี้ไม่มีอย่างอื่นเมื่อเป็นะจนิตจึงข้ามูหที่อยู่จิ๋วนีนะ้ท่านบออุทัศชาของเลื่องเบื้องบนเจริน จะลืมเมื่อลืมตัวคือลืมเวล้เวลาลืมพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจการพักผ่อนนอนหลับไม่สนใจกับการพักเพื่อควาสมสงบทางสมาธินี่มันเกินไปท่านที่เดียวพูดท่ า, าก่เป็นสัญลักษ์เครื่องข้ออันเนืองนี่พาเราแปอกมาี่เพื่อให้เหมาะสมเวลาเราทํางานมากมากเราก็ต้องพักผ่อนนอนหลับรับะทานอาหารให้สบายมีจิตพิจารณามากๆากา ก, าก็คิดเขาเรียกว่าจิตทํางาน มื่อทำงานหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจิตก็ อ, อ่อนเพรียวเหมือนกับร่างกายอ่อนเพรียเพียงต้องย้อนเขมาพักสมาธิให้จิตสงบแน่วอย่นั้นไม่ให้คิดรงให้ไม่ทําหน้าที่การงานอะไรทั้งหมดบางครับให้อยู่จะได้เป็นเวลาที่นาทีก็ตามพอออกมานี่มีกํำลังแล้วควรจะหน้าที่การงานนั้นอีกเช่นเดียวกับเมื่ได้รับถึงแล้วจะขอไปรับทานอาหารครับก่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วไม้ค่อนนั้นแหละขี้นนั้นขิ้นนั้นแหละ มีดเล่มนั้นแหละฟันแล้วคนคนนั้นแหละคนเก่านั้นแหละไม้ก็ท่อนเก่าชิ้นเก่านั้นแหละมีดก็เล่มเก่านั้นแหละคนก็คนเก่านี่ย แ, แต่ฟันคราวนี้ขาดไม่เลยเพราะกําลังก็มีผู้ฟันก็มีกําลังมีดก็กลมกล้าในรับหิงจะน้อยแล้วอาศัยสมาธิสิ่งเหมือนหินรับปัญญาให้มีกําลังพิจะมาสิ่งนั้นแหละแล้วขาดทบันไดเล้ง อุบายของการพิจารจะต้องเป็นอย่างนี้นัปฏิบัติทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้เป็นที่ลงใจา ก, การปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้ในขั้นติการท่านเนียยว่ามหาศรีษษมหาปัญญามหาความเพียรก็ถูกในท่านนี้แล้วหาความเจ็ดครั้นไม่มีนอกจากได้ล้างเอาไว้เท่านั้นมันจะเลยเิดต้องล้างเอาไว้เรื่องทางที่จะเดินไปเพว่ความพ้นทุกข์มันเหมือนก่าเราเสื่อมมือถึงหนุ่นี่น่ะ หรือนิพานที่ความพ้นคุกข์อยู่เั้นอยู่ในชื่วเอื้อมือเท่านั้น้างหลังข้างหลังที่เราเดินผ่าน ม, มาแล้วนี่มันติดกันตันตัวเข้ามามี่แต่ปืนแต่ไฟพร้อมัต้องหมุนที่อติ้ที่เคยได้รับความทุกข์มาเพราะอำนาจของกิเลสนี่มีมากเพียงไรมันประมวลมารู้ภายในใจหมดเพศประเภทยาประเภทากาประเภทละเอียดมันล้วนแล้วตั้งแต่ประเภทที่เป็นไทยหรือเป็นไฟยเผาใจเท่านั้นเพศุใดที่ต้องจะต้องประคุณกับมัน เมื่อทั้งคุณก็เห็นอยู่แล้วประจักษ์ด้วยปัญญาการประสอนกิเลสที่เห็นประจักษ์อแล้วโทษของกิเลสที่มันดังนขดสอนมา แ, แต่ก่อนเป็นยังไงมันก็รู้และคุณค่าของการขดสอนกิเลสที่ได้รับกิเลสขดสอนไปเดิมับดับนั้นมีมากขนาดไหนมันก็รู้พระณาจารยมีเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณเมื่อเป็นเช่นั้นความเรินนี้ต้องเด่งเอาจนกระทั่งไม่มีอะไรเลยพระพาราฆาตเจ้ า, อ, าจอุทัสจาก รูปราคะอาุปราคะสังยชนเบื้องบนมาหน้าอุทักษะอภิชารูปราชาคะก็หมายติงจิตรูปฌานหนึ่งพอพอใจรูปฌานในระยะนั้นหนึ่งพอใจอรูปฌานออกจากรูปฌา น, น, นแล้วก็ติดใจในความว่างอารูปฌานคือความว่างก็ติดใจในความว่างเนี่ยคำว่าว่างนั้นมันหมายถึงว่างอยู่บริเวณจิตนะตัวจิตเองนี่ไม่ว่างจะขอเข้าใจว่าจิตว่างมันก็เพลินอยู่ในความว่าง น, นั้น น, น, นี่แหละตามหลักความจริงของการพิจารณาตัวจิตเองทแท้ๆนั้นยังไม่ว่างจะว่างได้ไงอวิชชากดหัวอยู่นั้นอ่ะมันล่างได้อย่างแต่ในระยะนั้นเราหักให้ทราบนะตอนผ่านไปแล้วเราต้องจะมาทราบทีหลังว่าโอ้เราว่าอันนั้นลา่างอันนี้ว่างมันก็เหมือนกับคนเข้าไปอยู่ในห้องไป อ, อยู่ในห้องนี่มองดูโลกโผล่ไปหมดนอกห้องนี่มันมีอะไรห้องที่ว่างว่างก็จริงห้องแต่เราไปขวางห้อ ง, อ, งอยู่ในนั่นคนเดียวไม่รู้เหรออ่ะไปดูนี่ถ้าอยากให้ห้องมันว่างเต็ม ที่ก็ต้องถอนตัวออกมาแล้วห้องมันก็บ่านอันนี้ตัวของจิตสถาวิชามันยังคันกันอยู่นั่นละละลุนแต่รอบข้างรอบตัวของจิตว่ า, างไปหมดว้างไงหมดนี่ท่านเรียกว่ารูปประธานท่ะสถาคิชานจะดีว่างอบ่าง น, นี้แล้วมันก็ขยับไป ข, ขยับไปมาหน้าก็คือความถือนี่แหละเนี่ยถือที่ว่านถือผู้รู้นี่ที่เป็นไปด้วยกับวิชานี่ ก็เป็นสิ่งที่สง่าค่ะเพลอเป็นที่เด่นที่องค์อาจาหารเป็นสิ่งที่น่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์อิงที่สุดน่าติดที่สุดก็เคื่อวิชาคิดต้องปิดที่ตรงนั้นแล้วคําว่ามาหน้าเก้านั่นก็ตรงนี้เองมาหน้าเก้าเมื่อมันมีเครื่องยึดอยู่แล้วมันก็ย่อมอยากจะเทียบส่วนนั้นส่วนนี้หรืคนนั้นสูงกว่าเราคนนั้นต่ํากว่าเราคนนั้นเสมอเราหรือยังไงหรือคนนั้นยิ่งกว่าเราหรือคนนั้นย่อนกว่าเราหรือคนนั้นเสมอเราอะไรทานองนี้มาหน้าเก้ามันตรงอย่างนั้นสาคัญว่า ตนเสมอเขาสําคัญว่าเสมอเขาวิย่อนกับเขาได้ยิ่งกว่าเขาเนี่ยเป็นต้นนี่อย่างผมมานะนี่ละถือตรงนี้มันจะออกเทียบเทียงที่เพราะเขีเ่ยวมันยังมีนี่อยากอยากเทียบเทียงไงที่อำนาอุชาชาเขาเป็การเคลือนในการค้นการคิดนิพจนาขนัดขวางเจริญไม่หยุดยั้ยงอ า, าอาอกนั่นอวิชาอำนาจอุชาชาอวิชาไง อวิชางจริงในั้นนะที่เราถือนั่นน่ะคือใจที่ว่าถือใจในนั้นเพราะอะไรจึงถือใจชอบ ม, มีอวิชางท้ายถืออยู่ตรงนั้นพอวิชาแตกกระจายไปหมดด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ชันสมัยแล้วไม่มีอะไรจะถือถืออะไระถืออะไรเนี่ยไม่มีใครบอกมันก็ทราบเมื่อถึงขั้นไม่ถือแล้วมันปลอยโดยประการทั้งปวงเท่ารู้เท่าชันหมด ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสมมุติที่มีอยายจิตพอตอนได้หมดรู้เท่าได้หมดจอยว่างได้หมดรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาณนี่มันหมดปัญหาไปแล้วเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยหนแล้วพอถึงขั้นอุทาาัศจรรย์หรืออวิย c h a ซึ่งเป็นสองตัวนีย่างนี้มันจริงพิจารณาตั้งแต่จุดนั้นหมทุกจาณาเป็นที่รู้เท่าทันแล้วคำอัมมานะที่เป็นก้อนสมมติอันละเอียดนั้นนั้นก็กระจายไปหมดเรียกว่าร้ายไปทันที เือแต่ความรู้เร้วนหรืออะไรความรู้เร้วันถือแต่อะไรถือรู้ตามเป็นจริงมีมุติมีมุตมมิมีตมิญาณังโ้อติเนี่เมื่อจิดอยู่คนแน้วญาณความรู้แจ้งข้ามจิตหยุดพนแล้วยอ่อมือน่รู้เท่ในะความหุดพ้นอีกด้วยพูดง่ายๆ ไ, ไม่ถือมั่นในความหุดพ้นผมว่าหมดกระการทั้งปวงนี่ถ้าปฏิบัติกันอย่างนี้ ไม่ว่าสมัยทั้งพุทธการไม่ว่าสมัยนี้ธรรมะมัชฌิมาปฏิปทาเป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอขอให้นำมาใช้เถิดเราอย่าไปคิดการนั้นสมัยนี้สถานที่โน่นที่นี่ภาษาว่าขันบำเพ็ญอยู่โน่นท่านไหนบรรลุธรรมเราพมันชูนี้มันห่างไกลกันได้เกินมันห่างที่ตรงไหนทุกอยู่เต็มหัวใจของเราเพราะพิเรศเป็นเครื่องพ่อคูณขึ้นมาได้แา่สมูทไกมันมันมห่างกันที่ไหนะ萨ธรรมมันอยู่ในตัวของเราเนี่ ทุก็อำ น, นาจแห่งสมุทัยเป็นผู้ผิดขึ้นมามันก็เด่นชาตอยู่ฟ้านาจิตเผาจิตอย่นี้ถ้าเกิดความดับร้อนวุ่นวานี่ก็คือทุกเพราะอำนาจของพิเลศอาสวะปราบมตัญหาเพราะว่าตัญ ห, หาวิธีเพราะว่าตัญหาเป็นต้นนี่เป็นผู้ผิดแล้วสมุทัยนี่มันห่างไปไหนจากใจของเรามันติดอยู่กับใจของเราเหมือนมับติดอยู่กับใจของสาวกหรือพระพุทธเจ้านั่นเองตั้งแต่ท่านยังละไม่ได้แล้วนี่รอคือความดับทุกจะดับที่ตรงไหนทุกมีอยีกที่ตงไหนก็ต้องหาบายดับให้ได้ดับ ไปโดยดํงเดา ด, ด, ดังหลักด้วยมัชฌิมาคฏิปทาสรุปลงแล้วได้แก่สัมมาทิฏฐิสมาสังโฆสัมาสมาธินี่ลงมาตรงนี้เอาสรุปไปอีกได้แก่สติปัญญาศารัทธาความเข้มเอาฟาดลงไปนี่แหละเป็นเครื่องมือที่ห้ามหันที่เลสให้แหลกไปได้ที่เลสกลัวจะพัฒน์สติส ป, ปัญญาศารัทธาความเข้มเพรานั้นอย่างอื่นที่เลสไม่ตัวฟาําลงที่ตรงนี้เมื่อลงที่ตรงนี้ถูกจุดของตัจรธรรมพระจะทําทําลาตัจรธรรมคือมัชาคปฏิปทาทําลายชมุทัย อาเนี้สย์มักถ้าสัจจังคือมักก็เป็นความจริงอันหนึ่งทําลายความจิงไปเป็นข้าศึกของใจออกได้แล้วทุกข์ไม่ต้องบอกดับไปเองข้อสมุทยตายแล้วซึ่งเป็นตัวเหตุตายไปแล้วดับไปแล้วผลจะเกิเด ข, ขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยเมื่อมัจจิมาปฏิปทาได้พลาดลงเต็มที่จนฐานนี้โรคคือควาดับทุกข์ไม่ต้องบอกเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเป็นผลของการปราบกวามชั่วให้สิ้นชากไปจากด้วยมัจจิมาปฏิปทาน แล้วห่างไหนี่ญี่ปุ่นนี่อยู่ที่ตรงไหนอยู่อินเมืองอินเดียเหรือยู่สมัยก่อน500 2,000 ปีเหรือรู้พิจารณาสนี่การพิจารณาจะสองการพิจารณาอย่างนี้ผมไดยสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนที่ไหนอืมกฝั่งที่ญูกทั้งหลายเถ้าผู้ใดปฏิบัติทํามสมควรจะทําที่เราถากโคดแสดงไว้แล้วนี้พระอรหันต์จะไม่สิ้นสุดจากโลกนั่งเฉย พลทหารก็หมายถึงอะไรเขาหมายถึงรู้รอบจะทําทั้งสี่นี่แล้วไม่ต้องบอกว่าพลทหารก็เป็นเป็นไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมันอรหันต์โกนข้ามเที่หันเป็น้นหันไปนี่อีกิทีหันไปรักหันไปชังหันไปโกรธหันไปเบียดหันไม่เป็นท้าอรหันต์เรามันหันอย่างนั้นมไม่ได้เป็นหันเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหันข่าพิเหลี่ยรแหลกไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วก็หันไปทั่วข้ามไปแล้วที่โกงจับเสื้อพัดหัน คิดก็ได้พิจาณาสิเนี่ยปัญญาต้องแช่จาของอย่างนี้คือเรียกว่าปัญญาคิดขึ้นมาด้วยลาพังตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะเหมาะที่สุดแล้วครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนท่านยื่นให้แล้วเราแม้แต่ที่ให้แล้วยังหลุดไม้หลุดมือไปได้เกิดประโยชน์อะไรอันหดให้เราคิดขึ้นมาเราได้เงื่อนจากครูบาอาจารย์แล้วนําเงื่อนนั่นเข้าไปาปฏิบัติการจัดเสด็จด้วยอุบายวิธีการของเราโดยอาศัยโพูบาอาจารสั่งสอนนั้นเป็นต้นทุนไปฟ้าหากำไรโดยลําพังตนเองด้วยวิธีการคิดผ่าน ในติปัญญาของเรานั่นแหละกินไม่หมดสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากตนผึกขึ้นมาเองไปไหนไม่อั้นสู้คนเราถ้าตนสร้างได้เองคิดได้เองเอาที่ตรงนี้เถอเราจะไปสนใจกับการกระถางที่ให้สนใจกับสัจธรรมที่มันมีอยู่นี้อันในที่เป็นเครื่องกั้นกลางว่าผลนพานอยู่เวลานี้คืออะไรนอกจากพวกกับสมุทัยในฉะนั้นไม่มีอันใดที่เป็นอำนาจลากษณะที่จะมากั้นกางว่าผลนิพพานได้และทุกสมุทัยที่เป็นเครื่องกั้นกลาง เมืคนทีานเลานี้อยู่ที่ไหนถ้ามันอยู่ที่หัวใจัองเราอเอาแก้ลงไปทีสิ่งทีมาที่ปัญญามีอยู่เครื่องมือที่ทันสมัยมีอยู่คิดขึ้นมาสติผิดขึ้นมาศรัทธาความเพียรหมุนกันหมุนกันเข้ามาปัญญาพิจารณาค้นคว้าลงไปทามันเห็นมันทุกข์อยู่ที่ตรงไหนอะไรเป็นสาเหตุถ้เป็นทุกข์ความรักความทางความรักขันนั่นหมายว่านั่นเป็นนั้นนี่เป็นนี้นั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่ น, น, นแหละเป็นเรื่องที่เสิมทุกขึ้นมาพิจารณาแยกแยะมันเห็นเรื่องทุกข์ผู้ภานกายเอามันทุกข ถาหนังถามเนื้อทําเอ็นถามกระดูกไปแล้วก็ผิดจอดไปสติจอดไปแยกแยกออกมาดูใจอีกอันไหนมันเป็นเราเป็นของเราอะไรมันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยกไปแล้วมันเห็นมีอะไรเป็นทุกข์หนังก็มีอยู่ตั้งแต่วันเกิดเนื้อเอ็นกระดูกวันนี้มีมาตั้งแต่มันเกิดทุกข์เพิงเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเกิดขึ้นมาแล้วดับไปถ้าว่าสิ่งนี้มันเป็นอันเดียวกันทำลายร่างกายไม่ดับไปด้วยเมื่อทุกข์ดับไปนี่พิจารณาเห็นชัดเจนมากเลยมันไม่ใช่อันเดียวกันแต่เรามาบวกก็ให้เป็นอันเดียวกัน หมวกก็เป็นเดียวกันแล้วร้อนัอน้ำไปยัง ม, มาเราร้อนอีกคือ 2, 3, 3, สองชั้นสามชันมันเป็นทุกข์หลายชั้นน่ะสคิความสัาคัญธ์ความสัมพันนี่แหละท่านเรียกว่าสมุทัยถือที่เลยแยกแย ก, แยกมาเห็นทั้งความสัมพันธั้งเราที่มันเป็นหมายสร้างต า, ายว่าส่วนในเป็นเราเป็นของเราส่วนใดว่าเป็นทุกข์ว่เป็นทุกข์กำหนดลงไปกำหนดลงไปจนเป็นที่เข้าใจแล้วมันถอนตัวเ ข, เข้ามาเองตายก็เป็นความจริงเมตนาก็คือความทุกข์เมตนาเป็นต้นก็เป็นความจริง กินก็เป็นความกินต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันจริงนี่เป็นขั้นขั้นตอนต่างกันทุกอย่างนี่แหละผู้ขั้นตามว่าผลนิพพานคือ ส, สมุทัยตัวนี้่เป็นอยู่ที่หัวใจเนี่ยไม่ได้ไปติดอยู่ที่ไหนนะการสถานที่ไม่มีอำนาจจะมาติ ด, ข, ดขั้นนักผลนิพานเราได้อืการเวลานเนี่ยถ้านานขนาดไหนไม่สําคัญสถานที่อยู่ที่ใดก็ต่างไม่สำคัญ แม้จะพุ่มาปิดกั้นเราผลุนผ่ผานแต่เป็นสมุทรไทยคือกิเลสที่เกิดอิปานาจังเราเนี่ยเป็นเครื่องของ้างทางมาผลุนผ่าไม่รู้แจ้งแทงตลอดในความจินเทาไที่มีอยู่กับตนจึงต้องพิจารณาลงที่ตรง น, นี้เมือ่อพิจารณาลงที่ตรงนี้ด้วยสติปัญญาสพาัพพะกัมมีภะให้เต็มเหนี่ยวลงไปแล้วอย่างไงก็ต้องรู้ไปโดยลำดับผ่านก็ได้โดยลำดับ แ, แล้วเราหลุดพ้นไปได้เลยไม่ต้องสงสัยเมือ่อหลุดพ้นไปได้โดยความสมบูรณ์เต็มที่แล้วนั่นแหละทือเรียกว่างานสัมมาณะของเรานี่นเสร็จแล้ว รู้ติดตงประมาจาริยังเสร็จแล้วงานในประาศาสนาที่เราบรําเพ็ญ้ากลำบากมาแทบร้มแทบตายเอาชีวิตประกันกันนี้แลกกันนี้ได้สิ่นสุดลงไปแล้วในขณะนี้นะกระตังกรณียังจิตที่ควรทําให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนะนับบาลังอิตาติกระตังกรณียังจิตที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนับบาลังอิสตาจะติปิชาณาติจิตที่จะให้ทํําทาให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะได้รู้แล้วถึงคํำพอตัวมันยิ่งได้หย่อนอย้า นาถิดานิพุนนภโวบัดนี้ความเกิด อ, อีกความเป็นอีกในพวกน้อยภพอย่างใ ท, ที่เคยเป็นมาแล้วได้ตัดขาดสัญญาจากจักรจา ก, จากนิสสาโลหิตของวัฏจักรทั้งหลังกลายเป็นนวัฏจักรขึ้นมาแล้วภายในจุดข้อบหน้าของนาถิ ม, มัญดาเป็นผู้ฟาดต่างนานเป็นผู้เผาเชื้อทัางหลายออกจากวัฏจักรถึงขนาดนั้นแล้วแสนสว่างที่นี่านาภายในกระพายตาดูเต็มตา ก, ก็ได้หูพังเต็มหูก็ได้ไม่กล่องวิตกิจจานกลัวสิ่งนั้นจะมากระทบใจใจใจะ เหลวหลใจจะรอกลอกแหวกคอนแขนไม่มีดูได้เต็มตาฟังได้เต็มหูความตำหนิติเตียนก็ฟังได้เต็มหูความชมเชยก็ฟังได้เต็มหูแต่ไม่ยึดทั้งสองอย่างเพราะความพฤติกรําทั้งแต่ไม่มีน้ําหนักเท่ากันความชนะเสิร์นก็เกิดขึ้นจากหัวใจเขาทําเป็นความชนะเสิรคนอื่นไดีความติดสินินชาก็เกิดขึ้นจากนู้นเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา เมือ่อฟังแล้วกผ็ผ่านไปผ่านไปเพราจิตพอตัวแล้วไม่หิวไม่หงุดไม่ยึดอะไรไม่คว้าอะไรเขามากินมาดื่มพอเป็นยาพิษไม่เผาหลงเป็นเองเหมือนแต่ก่อนที่ยังไม่บริสุทธิ์นะเนี่ยอยู่สบายิไปไหนก็สบายทั้งนั้นอ่ะเมื่อจิตสมายแค่ดวงเดียวอยู่ไหนสบายแบบไม่ถามว่านระกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามมันเต็มอยู่ในนี้รูปสี่เห่มอยู่นี้แล้วถา ม, ามไปหาประโยชน์อะไรแม่ถ้ารู้แล้วไม่ถามถา ม, ถามอะไรอืม เหมือนกับเราหีวข้าวอะไะอะไรก็ดีไปหมดเหมือนจะหวานจะมันไปหมดเวลาอิ่มแล้วมันพอแล้วอะไรมันต้องเห็นสนใจเนี่ยอาหารชนิดไหนมันก็ไม่สนใจถ้ามันอิ่มแล้วมันพอตัวแล้วเ mm hmm. นี่ยพอละนี่ปัญญาที่บ้นเน